เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิ ก, กายนพุทธศักราช2550ตรงกับวันขึ้น8ข้าเดือน8เป็นวันพระ เป็นวันธรรมสวนระเป็นวันฟังธรรมและเป็นวันที่มีการประกอบพิธีอุปสมบทแก่ผู้มีจิศตศรัทธาที่จะบวชเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของบิดามารดาการบวชเป็นการกระทาที่ที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งกับผู้บวชเองและกับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเช่นบิดามารดาเป็นต้นดังมีคำพูดว่าพ่อแม่ก็อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองของลูกเพราะการบวชนี้เป็นการกระทาที่สูงส่ง เป็นการกระทำที่ไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่จะบวชจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่จะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในกรอบในระเบียบของความดีงาม <c oughs> การบวชจึงไม่ใช่เป็นของงา่ายและเมื่อบวชแล้ว จึงมีอนิสง์มากมีผลมากผู้บวชเองก็จะได้อานิสง์ได้บุญได้กุศลได้มีโอกาสไปได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้เกี่ยวข้องเช่นบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายก็ได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองต่างไปด้วยแต่าการไปนี้ไม่ได้ไปในลักษณะเหาะเหินเดินอากาศไป หรือบินไปด้วยเครื่องบินแต่ไปด้วยการกระทําคือการกระทำที่ดีนั่นเองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไปสู่ที่ดีเช่นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆและไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ไปเพราะนั่งเครื่องบินไปเพราะเครื่องบินไม่สามารถพาเราไปสวรรค์ได้พาไปนักผลนิพพานได้ต้องอยู่ที่การประบัิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้น เมื่อลูกได้มาบวชที่วัดแล้วเป็นธรรมดาที่พ่อแม่และญาติสนิทไม่สายที่มีความผูกพันมีความรับมีความคิดถึงกันก็ต้องมาดูแลมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเมื่อมาวัดมาเยี่ยมเยียนพระก็ได้มีโอกาสได้ทำดีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามไปด้วย ปกติถ้าไม่มีลูกไม่มีเพื่อนไม่มีญาติมาบวชก็จะไม่ค่อยได้เข้าวัดกันเพราะมีธุระมีเรื่องต่างๆที่จะต้องทำอยู่มากมายเลยผัดการมาวัดไปก่อนขอทำสิ่งที่จำเป็นเฉพาะหน้าไปก่อนก็เลยจะไม่ได้เข้าวัดเท่าที่ควรจะเข้า จึงไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปพุมโรคชั้นต่างๆไปมรรคผลนิพพานแต่เมื่อมีคนรู้จักมีคนสนิทมาบวชก็ทำให้ต้องเข้าวัดอยู่เพื่อที่จะได้มาเยี่ยมเยียนมาดูแล มาอุปถัมภ์อุปถาคก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาคือสวรรค์ชั้นต่างๆพรหมโลกชั้นต่างๆหรือมรรคผลนิพพานนี่เป็นผลที่จะตามมาที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> ดังนั้น การบวชจึงเป็นเหตุที่จะพาให้คนหลายคนด้วยกันได้มีโอกาสไปสู่ที่ชอบไปสู่สุคติเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเพราะความเสียสละของผู้บวชนั่นเองคนที่จะบวชนี้จึงเป็นคนที่ต้องมีความเสียสละอย่างมาก ต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นและจะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมคุณธรรมเหล่านี้เป็นเหตุหรือจะช่วยทำให้บุคคลสามารถอยู่ในกรอบของความดีงามได้สามารถประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ในเบื้องต้นจึงต้องมีการเสียสละก่อน การเสียสละก็คือสละเพศของคารวาสเพื่อเข้าสู่เพศของบรณพชิตนี่ก็เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติแล้วคนเราจะยึดติดกับชีวิตของคารวาสกันเพราะเรายังยึดติดกับความสุขต่างๆที่คารวาสสามารถจะทำได้ เช่นเรายังชอบเที่ยวชอบดื่มชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อ ถ, ถึงเวลาที่จะต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปจึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเป็นเหมือนกับการเลิกเสพสุรายาเมาเลิกยาเสพติดคนที่เคยติดยาเสพติดติดสุรา ติดบุเร่จะรู้ว่าเวลาที่จะต้องเลิกการกระทําเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ถ้าคิดแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรเสรไปแล้วมีแต่จะเสียหายมีแต่จะขาดทุนไหนจะเสียเวลาไหนจะเสียเงินเสียทอง ไหนจะเสียสุขภาพร่างกายถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนโง่ทําในสิ่งที่ทําร้ายตัวเองถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะละได้สละได้ <c oughs> เช่นกันคนที่อยู่ในโลกของอยู่ในเพศของคารวาส <c oughs> ก็จะเห็นว่าเพศของคารวาสนี้มีแต่คว่ มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาต่างๆมากมายก่ายกองเพราะชีวิตของเรานั้นอยู่กับสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองสิ่งต่างๆที่ตอนต้นเราคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้มาไม่นานสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปต้องคอยให้เราต้องมา คอยแก้ไขอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นวัตถุเข้าของต่างๆได้มาไม่นานเดี๋ยวมันก็ชำรุดทรุดโทงเดี๋ยวก็เสียเราก็ต้องไปซ่อมไปไปเปลี่ยนไปทำอะไรอยู่เรื่อยๆดังนั้นความสุขทางโลกจึงเป็นความสุขที่ปนไปด้วยกวับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ถ้าได้เห็นได้พิจรารณาแล้วก็จะเกิดความสนใจที่อยากจะลองความสุขทางธรรมบ้างเพราะความสุขทางธรรมนี้ไม่ได้พึ่งพาอาศัยวัตถุเข้าของต่างๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยบุคคลนั้นหรือบุคคล น, นี้ความสุขทางธรรมนั้นอาศัย การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาศัยการเสียสละอาศัยการมีความอดทนอาศัยการา ม, มีความอดกลั้นอาศัยการเป็นผู้ที่ต้องตั้งอยู่ในในระเบอบในระเบะียบถ้ามีการเสียสละมีความอดทนมีความอดกลั้นมีความ เป็นประเบียบแล้วก็จะสามารถสร้างความสุขทางธรรมได้ความสุขทางธรรมนี้เกิดจากการสงบของจิตใจเมื่อจิตใจมีความสงบก็จะปรากฏความสุขขึ้นมาซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับมาทางทางโลกคือทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายความสุขทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยหรือเหมือนกับเพชรกับก้อนอิดก้อนหินเป็นต้นคุณค่ามันแตกต่างกันมากแต่ผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสจะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีผู้ที่สัมผัสแล้วเท่านั้นที่รู้แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะ แสวงหาความสุขแบบนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้พบกับความสุขทางธรรมในขณะที่ยังเป็นคารวาสอยู่ก็จะมีความยินดีมีความพอใจที่จะออกบวชพร้อมที่จะสละความสุขต่างๆของทรรโลกไปพอเห็นแล้วมีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่ามีความแตกต่างกันอย่างเหมือนฟ้ากับดิน เหมือนเพชรกับก้อนหินเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไปหลงอะไรกับก้อนหินเมื่อเราได้เพชรแล้วเรารู้แล้วว่าเพชรอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมุ่งไปหาที่ที่มีเพชรอยู่นั่นเองเพื่อที่จะได้สะสมจะได้กรอบโกยเพชรให้ได้มาก เ, เท่าที่เราจะสามารถทําได้ฉันใดความสุขทางโลก ความสุขทางธรรมะที่เกิดจากความสงบของใจก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนเพชรพอเราได้สัมผัสแล้วเราจะไม่ยินดีกับความสุขทางโลกอีกต่อไปจะไม่ยินดีที่จะไปเที่ยวไปดื่มไปสู่ไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆอย่างที่เคยทำมาในอดีตเพราะทำไปแล้วก็เหมือนเดิม ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปมากกว่าเดิมเพราะความสุขทางโลกไม่เคยให้ความอิ่มความพอได้มาเท่าไหร่ก็ต้องแสวงหาใหม่อีกวันนี้เราไปเที่ยวเรามีความสนุกกันพอเรากลับมาถึงบ้านความสนุกนั้นก็หายไปหมดแล้วพอพรุ่ง น, นี้หรืออาทิตย์หน้าเราก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ เราก็ทํามาอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เคยพบกับความอิ่มพบกับความพอส่วนความสุขทางธรรมนี้เมื่อเราได้พบแล้วเราจะเริ่มมีความอิ่มมีความพอเราจะไม่หิวกับความอยากความสุขทางโลกเลยมีแต่อยากจะมีความสุขทางธรรมคืออยากจะมีความสงบ ให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับความสุขทางธรรมนี้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองขณะที่จิตเรารวมลงนั้นครั้งแรกมันจะรวมไม่นานเพียงชั่ววินาทีสองวินาทีก็ถอนออกมาแล้วแต่เพียงชั่วขณะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าอันประเสริฐอันวิเศษของความสุขทางธรรมแล้ว และจะทำให้เราอยากจะมีให้มากยิ่งขึ้นคืออยากจะให้มีอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เพียงแค่เพียงวินาทีหรือสองวินาทีเท่านั้นอยากจะให้มีอยู่ตลอด24ชั่วโมง mm hmm. การที่จะมีความสุขอย่างนั้นได้เราก็ต้องสละความสุขทางโลกไป mm hmm. เพื่อเราจะได้มีเวลาเต็มที่ที่จะได้สร้างความสุขทางธรรม และไม่มีวิธีใดที่จะดีเท่ากับการออกบวช<ม>เพราะเมื่อออกบวชแล้วเราจะได้มีเวลาเต็มที่ต่อในการสร้างความสุขทางจิตใจเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนสมัยที่เป็นคารวะเพราะมีคนคอยดูแลคอยเลี้ยงดู อย่างวันนี้ญาติโยมก็นำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระล้นสาลากินไปอีกสิบวันก็กินไม่หมดนี่คือสิ่งที่การบวชพระจะได้รับก็คือได้รับการปลดเรื่องภาระในเรื่องการทำมาหากินเพื่อที่จะได้มีเวลาสร้างความสุขทางธรรมให้ได้มากขึ้นไปนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงไม่ให้พระมีอาชีพทำมาหากินหน้าที่ของพระหรืออาชีพของพระนั้นมีอยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนคือให้มาชำระใจของตนให้สะอาด ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเพราะความโลภความโกรธความหลงจะทำให้พูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจแล้วใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอ นั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่เฉยๆก็จะไม่รู้สึกลำคาญใจไม่รู้สึกว่าจะต้องหาอะไรมาดูต้องหาอะไรมาฟังต้องหาอะไรมาดื่มต้องหาอะไรมารับประทานเพราะใจไม่มีเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นเองเหตุที่ว่านี้ก็คือความโลภความอยากต่างๆความหลงความโกรธ เมื่อไม่มีแล้วก็แสนจะสุขแสนจะสบายไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรภายนอกไม่ต้องไปดินลนขวนขวายหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคนนั้นหาคนนี้หรือไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องทำแล้วเพราะมีความสุขอยู่ในตัวแล้วแต่พวกเราที่ยังไม่ได้ ศึกษาวิธีกำจัดชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเราจะอยู่เฉยๆกันไม่ได้ให้นั่งอยู่เฉยๆคนเดียวสักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเบื่อหน่ายจะต้องคิดทำนั่นทำนี่จะต้องลุกขึ้นไปดูนั่นดูนี่ เพราะจิตใจมันไม่เป็นสุขนั่นเองเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเป็นกรรมของพวกเราที่ไปสร้างความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ในจิตในใจของเรามันจึงทำให้เราคันเหมือนกับสุนัขที่เรือนเกาเกาเท่าไหร่ก็ยังไม่หายคันเพราะส่วนใหญ่จะไปเกาไม่ถูกที่นั่นเองเกาที่ เช่นมันคันที่หลังเราไปไปเกาที่ศีรษะอย่างนี้ก็จะไม่หายคันฉันใดวิธีแก้ความทุกข์แก้ความเบื่อหน่ายแก้ความแก้ความไม่ไม่มีสุขไม่มีความสุขนี้ด้วยการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ ไปดูหนังไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความคันของใจเพราะความคันของใจนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าได้ทรงแก้มาแล้วทรงรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ใจเราคันอยู่ไม่เป็นสุข ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงศึกษาวิธีที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจจนหายขันได้ mm hmm. เมื่อรู้แล้ววิธีว่าจะทำอย่างไร mm hmm. ก็นําเอามาสั่งสอนแก่พวกเราต่อไปจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราเสียสละ ทำบุญให้ทานอย่าเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองที่มีเกินมีเหลือใช้อย่าเอาเก็บเอาไว้ให้เอาไปทําบุญทำทานเพราะจะช่วยลดความโลภความอยากลงไปได้ทำให้เราอยากน้อยลงทาให้เราโลภน้อยลงก็จะทำให้เรามีความ ความหิวความต้องการน้อยลงไปความทุกน้อยลงไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้นอกจากการให้ทานแล้วก็ทรงสอนให้เรารักษาศีลไม่ให้เราไปสร้างเรื่มสร้างราวไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเพราะจะทำให้ใจของเรายิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นยิ่งขันมากยิ่งขึ้น ยิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทไปฆ่าผู้อื่นหรือไปทําร้ายผู้อื่นเราจะอยู่อย่างปกติไม่ได้เราจ ะ, จะมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวที่จะต้องถูกจองเวรจองกรรมนะถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ไปทําร้ายผู้อื่นเราจะไม่รู้สึก กังวลหรือหวาดกลัวเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสุขอย่างสบายนอกจากนั้นแล้วก็ ส, สอนให้เราทําจิตใจให้สงบเพราะโดยปกติใจของเรานั้นมันเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาอ ย, อยู่ดีๆอยากจะให้มันหยุดโดยไม่นี้โดยไม่เหยียบเบรกนี้เป็นไปไม่ได้ต้องมีเบรกไว้คอยเหยียบนอัด เหยียบไว้มันถึงจะทำให้รถวิ่งช้าลงและหยุดลงไปได้ในที่สุดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของมันมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยและก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเราเคยเห็นใจเราหยุดนิ่งบ้างไหมไม่เคยเลยส่วนใหญ่เพราะเราไม่เคยเบรกใจนั่นเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีเบรกใจ และไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเบรคใจด้วยแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นคุณค่าของการเบรคใจเพราะเวลาเบรคใจแล้วก็เท่ากับเบรคความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเวลาใจหยุดคิดความโลภความโกรธความหลงก็หยุดตามไปด้วยเมื่อมันหยุดเมื่อมันหยุดแล้วความรู้สึกหิวอยากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็หายไปด้วยมีความอิ่มความพอปรากฏขึ้นมาแทนที่นี่คือความสงบของใจคือการหยุดใจนี่เองเราจึงควรศึกษาวิธีการหยุดใจและนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าเราหยุดใจได้แล้วเราจะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่เราจะไม่เคยพบมาก่อนที่จะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้ความ มหาสารเจใจนี้กับเราได้นอกจากการเบรกใจของเราให้หยุดนิ่งนั่นเองการทำใจให้หยุดนิ่งก็คือการทำสมาธิคือการหลอกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆโดยปกติถ้าเราไม่มีอะไรหลอกให้มันทำมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเราก็หลอกให้มันมาสวดมนต์เป็นเป็นต้นถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วบทสวดมนต์นี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราค่อยๆสงบตัวลงสงบตัวลงไปจนถึงเวลาที่เราไม่อยากจะสวดเราก็หยุดสวดได้เ้วก็นั่งอยู่เฉยๆในขณะนั้นใจก็จะไม่คิดอะไรจะไม่อยากอะไรจะไม่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากทาอะไร ตอนนั้นก็เราก็มีความสุขในระดับหนึ่งมีความสงบในระดับหนึ่งถ้าเราอยากจะให้สงบมากกว่านั้นเราก็ดูลมหายใจต่อไปดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแล้วถ้าเราไม่ไปคิดไม่ไปเผลอคิดอะไรไม่นานจิตก็จะรวสมสงบตัลวลงเต็มที่ก็จะปรากฏความแปลกประหลาดมหสาสัจจใจ เพราะขณะที่จิตสงบนั้นจะมีความเบามีความโล่ง อ, อกมีความปิติมีความสุขอย่างมากมีความอิ่มมีความพ อ, อนี่คือการสร้างความสุขให้กับเราโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธี ทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองวันนี้พวกเราโชคดีหรือชาตินี้พวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่รู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงก็คือวิธีการทำจิตใจให้สงบนี้เองด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการเสียสละ ด้วยการรักษาศีลและด้วยการทำสมาธิถ้าเรานำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติไปประพฤติไปทำอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์คือความสุขที่ดีที่เลิศที่สุด กว่าความสุขต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขนี้เพียงครั้งเดียวเราจะมีกําลังใจที่จะกล้าเสียสละชีวิตของคารวาสและออกบวชเพื่อเราจะได้สร้างความสุขนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปจนมีอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านมีความสุขแบบนี้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเดินยืนนั่งนอนหลับหรือตื่นความสุขนี้ก็ไม่ได้จางหายไปไหนเพราะเป็นความสุขที่อยู่กับจิตใจไปตลอดอนันตการนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเสียสละออกบวช เมื่อออกบวทแล้วเราก็สามารถจูงผู้อื่นให้เดินตามเราได้ด้วยพ่อแม่ก็ได้เดินตามเราญาติสนิทมิตรสหายก็ได้เดินตามเราเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาเป็นตัวอย่างหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรุ้เป็นพระอระหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงไปโปรดพ ร, พระราชวงศ์ในพระราชวงัง ก็ปรากฏมีมีญาติสนิคมิตรสหายต่างๆของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาความเมื่อมใสออกบวชกันเป็นจำนวนมากและได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาส ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปพรหมโลกชั้นต่างๆนั้นได้มีโอกาสได้ไปกันมีเป็นจานวนมากนับไม่ถ้วนมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นการบวชจึงเป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องน่าสนับสนุนถ้าเรามีลูกที่มีอายุครบบวชแล้ว ถ้ายัางถ้าเขายังไม่ได้บวชก็ควรหาวิธีทำให้เขาอยากออกบววชวิธีดีที่สุดก็คือพาเขาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วต่อไปเขาก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองแล้วเมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้วเขาก็จะยินดีที่จะออกบววชดีกว่าไปบังคับหรือไปล่อเขาด้วย รางวัลต่างๆเช่นบวชแล้วจะซื้อรถให้จะซื้อบ้านให้ถ้าเป็นอย่างนี้การบวช ย, ยังไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะเมื่อมาบวชแล้วก็จะไม่ตั้งใจศึกษาเริ่าเรียนจะนั่งนับวันนับคืนถึงเวลาศึกเมื่อไหร่เพื่อจะได้กลับออกไปรับรางวัลที่พ่อแม่จะมอบให้กับเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการบวชก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ เพราะมีแต่กิริยาของการบวชแต่ไม่มีไม่มีสาระของการบวชก็คือไม่สนใจศึกษาปฏิบัตินั่นเองดังนั้นถ้าเขาอยากจะบวชก็ขอให้เขาบวช ด, ด้วยจิตที่มีจิตศรัทธาอย่าบวชเพราะเราไปเขี่ยเข็นบังคับหรือไปร่อเขาแต่เราหาวิธีหาอุบายให้เขาบวชได้ เช่นสอนเขาพาเขาเข้าวัดบ่อยๆแล้วพาเขาไปดูพิธีบวชเวลามีเพื่อนฝูงบวชล้วก็พาเขาไปต่อไปเขาก็จะเกิดความเข้าใจว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรส่วนใหญ่ที่คนไม่อยากจะบวชกันเพราะไม่เข้าใจว่าบวชเพื่ออะไรคิดว่าเหมือนกับไปติดคุกติดตาราง แต่ความจริงการบวชนี่แหละคือการเดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกชั้นต่างๆไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่ได้บวชนี้เองดังนั้นจึงอยากจะฝากเรื่องของการบวชนี้ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป